ยะมะกะปาติหิระยานานิเทศแสดงยานในยมกปฏิหารยานในยมกปฏิหารของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือในญานนี้พระตถาคตทรงรมยมกปฏิหารที่ไม่ทั่วไปแค่สาวกได้แก่ท่อไฟพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องบนสายน้าพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องล่างท่อไฟพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องล่าง สายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องบนท่อไฟพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหน้าสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหลังท่อไฟพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหลังสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหน้าท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องซ้าย สายน้ำพุ่งออกจากพระเนธเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากช่องประกันเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากช่องประกันเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากช่องพระกันเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากช่องพระกันเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากช่องพระนาศิกเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากช่องพระนาศิกเบื้องซ้าย ท่อไฟพ yeah. nice. i̇şte ุ่งออกจากช่องพระนาศิกเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากช่องพระนาศิกเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากจงอยพระอังษาเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากจงอยพระอังษาเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากจงอยพระอังษาเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากจงลอยพระอังสาเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องขวา สายน้ำพุงออ응พ่งออกจากพระหัตเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากพระหัตเบื้องซ้ายสายน้ำพุงออำพ่งออกจากพระหัตเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากพระปรัดเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระปรัดเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากพระปรัดเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระปรัดเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากพระบาทเบื้องขวา สายน้ำพุ่งออกจากพระบาทเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากพระบาทเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระบาทเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากพระองคุลีสายน้ำพุ่งออกจากระหว่างพระองคุลีท่อไฟพุ่งออกจากระหว่างพระองคุลีสายน้ำพุ่งออกจากพระองคุลีท่อไฟพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละเส้น สายน้ำพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละเส้นท่อไฟพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละขุมสายน้ำพุ่งออกจากพระโลมาแต่ละขุมชาพันธ์รังสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีแสดสีประพัสสอแผ่ซ่านออกจากพระวรกายพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรม พระพุทธนิมิตประทับยืนประทับนั่งหรือทรงสำเร็จสยยาพระผู้มีพระภาคประทับยืนพระพุทธนิมิตเสด็จจงกรมประทับนั่งหรือทรงสำเร็จสยยาพระผู้มีพระภาคประทับนั่งพระพุทธนิมิตเสด็จจงกรมประทับยืนหรือทรงสำเร็จสยยาพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสยยาพระพุทธนิมิตเสด็จจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่ง พระผู้มีพระภาคเสด็ OVER จจงกรมประทับนั่งหรือทรงสำเร็จสยาพระพุทธนิมิตประทับยืนพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมประทับยืนหรือทรงสำเร็จสยาพระพุทธนิมิตประทับนั่งพระผู้มีพระภาคประทับยืนประทับนั่งหรือเสด็จจงกรมพระพุทธนิมิตทรงสำเร็จสยานี้เป็นญาณในยมกะปฏิหารของพระตถาคต ยามะกะปาติหิระญ า, านิเทศที่เจ็ดสิบจบเจสบเอมหากรุณาญาณนนิเทศแสดงญาณในมหากรุณาสมาบัติญาณในมหากรุณาสมาบัติของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทั้งหลายตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ คือพระผู้มีพระภาคทั้งหลายตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิวาตอันไฟลุกโชนแล้วจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์พระผู้มีพระภาคทั้งหลายตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิวาตยกพลแล้วโลกสันนิวาสเคลื่อนพลแล้วโลกสันนิวาตเดินทางผิดแล้วโลกถูกชรานําไปแล้วไม่ยั่งยืน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 โลกสันนิวาตถูกลูกศรเป็นอันมากเสียบแทงแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตมีความมืดคืออวิชาปิดกั้นไว้ถูกขังไว้ในกรงกิเลสใครอื่นนอกจากเราผู้จะแสดงทำให้แสงสว่างแก่โลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มี โรคสันนิวาตกอยู่น้ำหน้าของอวิชามืดมนอันอวิชาหุ้มห่อไว้ยุ่งดุดเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มก้อนนุงนางดุดหญ้าปล้องหญ้ามงกระตายไม่ล่วงพ้นสงสารคืออบายทุกติและวินิบาตโรคสันนิวาสูกยาพิษที่มีโทษคืออวิชาฉากทาหนาแ น, าน่นแล้วมีกิเลสเป็นโทษโรกสันนิวาตโรคชัดด้วยราคะ โทสะและโมหะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยสางรคชัดแก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาสถูกกองตัญหาสมไว้โลกสันนิวาถูกขายตัญหาครอบไว้โลกสันนิวาสถูกกระจสตัญหาพัดไปโลกสันนิวาสถูกตัญหาเครื่องค้องคลองไว้โลกสันนิวาสร่านไปเพราะตันหานุัย โลกสันนิวาสเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนเพราะตัญหาโลกสันนิวาดเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะตัญหาโลกสันนิวาสถูกกองทิฐิสุมไว้โลกสันนิวาสถูกขายเพื่อทิฐิครอบไว้โลกสันนิวาสถูกกระแสทิฐิพัดไปโลกสันนิวาสถูกทิฐิเป็นเครื่องคล้องคล้องไว้โลกสันนิวาสสั้นไปเพราะทิฐานุัย โลกสันนิวาสเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนเพราะทิฏฐิโลกสันนิวาดเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิโลกสันน <g ib ring> like right, ิวาสถูกชาติติดตามโลกสันนิวาสถูกชราตามติดโลกสันนิวาสถูกพญาธิครอบงำโลกสันนิวาสถูกมรณะห้ามหันโลกสันนิวาสตกอยู่ในกองทุกข์โลกสันนิวาสถูกตัณหาดักไว โลคสันนิวาถูกกำแพงเพยชราล้อมไว้โรคสันนิวาถูกบ่วงมัจจุครองไว้โลกสันนิวาถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากได้แก่เครื่องผูกเอราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลส ท, ทุจริตใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มี โรคสันนิวาตเป็นในทางที่แคบมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยชี้ทางสว่างให้แก่โรคสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีโรคสันนิวาตถูกความกังวลเป็นอันมากพัวพันไว้ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โรคสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีโรคสันนิวาตตกลงไปในเหวใหญ่ใครอื่นนอกจากเรา ผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากเขวได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตเดินทางกันดานมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสนั้นข้ามพ้นทางกันดานได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตเดินไปในสังสารวัฏใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสนั้นพ้นจากสังสารวัฏได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตกลิ้งเกลือกอยู่ในหลมใหญ่ ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากลมได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตติดอยู่ในเปือกตมอันกว้างใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากเปลือกตมได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาสถูกไฟเคราคะโทสะโมหะชาติชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัส อุบายยากกระทบแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาตได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตทุรนทุรายเดือดร้อนเป็นนิดไม่มีอะไรต้านทานต้องรับอาชยาต้องทําตามอาชยาโลกสันนิวาตถูกผูกด้วยเครื่องผูกในวัฏฏะปรากฏอยู่ในตะแลงแกง ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาตนั้นให้หลุดพ้นได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งควรได้รับความกรุณาอย่างยิ่งใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยต้านทานให้แก่โลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตถูกทุกเสียบแทงบีบคั้นมานานโลกสันนิวาตติดใจกระหายเป็นนิ โลกสนนิวาสเป็นโลกบอดไม่มีจักสุโลกสนนิวาสมีจักสุเสื่อมไปไม่มีผู้นําโลกสนนิวาสเล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยนำพาโลกสนนิวาสนั้นมาสู่ทางอริยะนั้นได้เป็นไม่มีโลกสนนิวาสเล่นไปสู่ห้วงโมหะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยชุดโลกสนนิวาสนั้น ให้พ้นจากห่วงโมหะนั้นได้เป็นไม่มีโลกสนิวาสถูกทิฐิสองอย่างกลุ่มรุมโลกสนิวาสปฏิบัติผิดด้วยทุจริตสามโลกสนิวาสเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องประกอบสี่อย่างถูกกิเลสเครื่องประกอบสี่อย่างประกอบไว้โลกสนิวาสถูกกิเลสเครื่องร้อยรับสี่อย่างร้อยไว้โลกสนิวาตถือมั่นด้วยอุปทานสี่ โลกสันนิวาตขึ้นสู่คติห้าโลกสันนิวาตกำหนัดอยู่ด้วยกามคุณห้าโลกสันนิวาถูกนิวรห้าทับไว้โลกสันนิวาตวิวาดอยู่ด้วยมูลเหตุแห่งการวิวาดหกอย่างโลกสันนิวาตกำหนัดอยู่ด้วยกองตันหาหกโลกสันนิวาถูกทิฐิหกอย่างกลุ่มรุมแล้วโลกสันนิวาตซ่านไปเพราะอนุใสเจ็ด โลกสันนิวาตถูกสังโยชเด็ดคล้องไว้โลกสันนิวาตฟูขึ้นเพราะมานะเจ็ดโลกสันนิวาตเวียนอยู่เพราะโลกธรรมแปดโลกสันนิวาต ด, ดิ่งลงเพราะมิจฉาตแปดโลกสันนิวาสประทุษร้ายกันเพราะบุรุษโทษแปดโลกสันนิวาตมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตวัตถุเก้าโลกสันนิวาตพองขึ้นเพราะมานะเก้า โลกสันนิวาตกำหนัดอยู่เพราะธรรมอันมีตันหาเป็นมูลเก้าโลกสันนิวาตย่อมเศร้ามองเพราะกิเลสวัตถุสิบโลกสันนิวาตมุ่งร้ายกันเพราะอาฆาต ว, วัตถุสิบโลกสันนิวาสประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิบโลกสันนิวาสถูกสังโยชสิบคล้องไว้โลกสันนิวาตดิ่งลงเพราะมิจฉาตสิบโลกสันนิวาสเพียรพร้อมด้วยมิจฉาทิฐิสิ 10. โลกสันนิวาตเพียรพร้อมด้วยสักกายทิฐิอนิวัตุสิทโลกสันนิวาตเนื่นช้าเพราะตัณหาร้อยแปดทำให้เนื่นช้าพระผู้มีพระภาคทั้งหลายตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิวาตถูกทิฐิหกสิบสองกลุ่มรุ่มจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์พระผู้มีพระภาคทั้งหลายตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่า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 นี้เป็นญานในมหากรุณาสมาบัติของพระตถาคตมหากรุณาญาณ น, นิเทศที่เจ็ 73. สิบเอ็ดจบเจบสองถึงเจสบสาสัพพัญญุตญาณ น, นิเทศแสดงสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือชื่อว่าสัพพัญญุตญาณ เพราะรู้สังคตะธรรมและอสังคตะธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องก้ั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะรู้ธรรมส่วนอนาคตทั้งปวงชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องก้ั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะรู้ธรรมส่วนอดีตทั้งปวงชื่อว่าอนาวรณญาณ เพราะไม่มีเครื่องกั่นในยานนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้ธรรมส่วนปัจจุบันทั้งปวงชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกลั่นในยานนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้จากขู่และรูปทั้งหมดอย่างนี้ชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกลั้นในยานนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้โสตและสัทธะ เพราะรู้คานะและคันทะเพราะรู้ชิวหาและรสเพราะรู้กายและโภธพภะชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้มโนโลและธรรมรมทั้งหมดอย่างนี้ชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกลั่นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้สภาวะที่ไม่เที่ยงสภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่เป็นอนัตตาตลอดทั้งหมด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 สภาวะที่เป็นอนัตตาแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจากขุชื่อว่าสัพพัญยุตญาณเพราะรู้สภาวะที่ไม่เทียมสภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่เป็นอนัตตาแห่งชราและมรณะตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณ น, นั้น ชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้สภาวะที่รู้รยิ่งแห่งอภิญญาตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้สภาวะที่กำหนดรู้แห่งปริญญาตลอดทั้งหมดเพราะรู้สภาวะที่ละแห่งปหานะตลอดทั้งหมดเพราะรู้สภาวะที่เจริญแห่งภาวนาตลอดทั้งหมดชื่อว่าสัพพัญญุตยาน เพราะรู้สภาวะที่ทําให้แจ้งแห่งชาติกริยาตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยญาณเพราะรู้สภาวะที่เป็นกองแห่งขันตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยญาณเพราะรู้สภาวะที่ทรงไว้แห่งท่าตลอดทั้งหมด เพราะรู้สภาวะที่เป็นบ่อเกิดแห่งอายตนะตลอดทั้งหมดเพราะรู้สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังคตาธรรมตลอดทั้งหมดชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้สภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่งอสังคตาธรรมตลอดทั้งหมดชื่อว่าปนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้กุศลธรรมตลอดทั้งหมด ช, ชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะรู้อกุศลธรรมเพราะรู้อพยากตะธรรมเพราะรู้กามวจรธรรมเพราะรู้รูปาวจรธรรมเพราะรู้อรูปาวจรธรรมชื่อว่าสัพพัญญ네 <theory> ุตญาณเพราะรู้อปริยาปัณนธรรมตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนนาวรณญาณ เพราะไม่มีเครื่องกั้นในยานนั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะรู้สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณยานเพราะไม่มีเครื่องกั้นในยานนั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะรู้สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยเพราะรู้สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธชื่อว่าสัพพัญย oui ุตยาน <Fro> เพราะรู้สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเ <mari S 2> พราะรู้สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในอัตแห่งอัฏฐ Scotland, ปฏิสัมพิทาตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะไม่มีเค <ishing eigenlijk S 2> รื่องกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตญาณ เพราะรู <as> ้สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในธรรมแห่งธรรมะปฏิสัมพิทาตลอดทั้งหมดเพราะรู้สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมพิทาตลอดทั้งหมดชื่อว่าจัพพัญญุตยานเพราะรู้สภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในปฏิพานแห่งปฏิพาณนัปฏิสัมพิทาตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณ เพราะไม่ม <Es> <an> ีเครื่องกลั้นในยานนั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะรู้ยานในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณยานเพราะไม่มีเครื่องกลั้นในยานนั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะรู้ยานในอาชยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเพราะรู้ยานในยมกะปฏิหาร ชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้ญาณในมหากรุณาสมาบัตตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญานเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก แห่งหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณยญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในยานนั้นสิ่งไรในไตรโลกธาตุนี้พระปัญญาจากขุ ข, ของพระตถาคตนั้นไม่ทรงเห็นไม่มีเลยอันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนาใดมีอยู่ พระตถาคตได้ทรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนํานั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่ามีพระสมันตจกักขุคําว่าสมันตจกักขุอธิบายว่าชื่อว่าสมันตจกักขุเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือพระพุทธญาณสิบสี่ประการได้แก่หนึ่งญาณในทุกข์ชื่อว่าพุทธญาณ สอยานในสมุทยัยชื่อว่าพุท t h e r a สามยานยาในทุกขนิโรธชื่อว่าพุท t า e r a สยานยาในทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาชื่อว่าพุท t า e r a หายานยาในอัฏฐปฏิสัมพิทาชื่อว่าพุท t า e r a หยานยาในธรรมปฏิสัมพิทาชื่อว่าพุท t h e r เจ ยานในนิรุตติปฏิสัมพิทาชื่อว่าพุท t า e 8 a ยานในปฏิภาณปฏิสัมพิทาชื่อว่าพุท t า e 9 a าย า, นยานในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ชื่อว่าพุท t า e 10ญานในอาศียะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าพุท t h e r a p อยานในยมกกะปฏิหานชื่อว่าพุท t า e r a สบสอง ญาณในมหากรุณาสมาบัติชื่อว่าพุท t า e 13. สิบัพพัญญุตญาณชื่อว่าพุท t า e 14. อนนาวรณญาณชื่อว่าพุท t า e พุท t า e 14ประการนี้แลบรรดาพุท t า e 14ประการนี้ญาณแต่ประการเบื้องต้นเป็นญาณที่ทั่วไปแก่สาวกส่วนญาณอีกหประการเบื้องปลายเป็นญาณที่ไม่ทั่วไปแก่สาวก ชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์พระธถาคตทรงทราบแล้วตลอดทั้งหมดที่มิได้ทรงทราบไม่มีชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์พระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทําให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้ว ตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณ น, นั้นชื่อว่าสพัญญุตญาณเพราะสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยเพราะสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธเพราะสภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคเพราะสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในอาจแห่งอัฏปฏิจัมพิทา เพราะสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในธรรมแห่งธรรมปฏิสัมพิทาเพราะสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมพิทาชื่อว่าสพัญญุตยานเพราะสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในปฏิพานแห่งปฏิพานปฏิสัมพิทาพระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้ว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 สัพพันยุตยานานิเทศที่เจ็สิบสองถึงเจ็สิบสามจบยาณปกระถาจบสองทิฏฐิประถาว่าด้วยทิฏฐิอะไรชื่อว่าทิฏฐิ ฐานแห่งทิฏฐิมีเท่าไรปริยุทธฐานแห่งทิฏฐิมีเท่าไรทิฏฐิมีเท่าไรความยึดมั่นทิฏฐิมีเท่าไรความถอนฐานแห่งทิฏฐิเป็นอย่างไรถามทิฏฐิคืออะไรตอบทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นถามฐานแห่งทิฏฐิมีเท่าไรตอบฐานแห่งทิฏฐิมีแปประการถาม ปริยุทธิฐานแห่งทิฏฐิมีเท่าไรตอบปริยุทธิฐานแห่งทิฏฐิมี18ประการถามทิฏฐิมีเท่าไรตอบทิฏฐิมี16ประการถามความยึดมั่นทิฏฐิมีเท่าไรตอบความยึดมั่นทิฏฐิมี300ประการโดยประมาณถามเครื่องถอนฐานแห่งทิฏฐิเป็นอย่างไรตอบโซดาปฏิมา เป็นเครื่องถอนฐานแห่งทิฏฐิทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรคือทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขูว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นโสตคานะชิวหากายทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมโนว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นสัธนทธะคันธะรสะโพธภะทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นธรรมารมว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นโสตะวิญญาณคานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณกายวิญญาณทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นโสตสัมผัสภาณสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสทิฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นมโนสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุสัมผัสชาเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นโสตะสัมผัสชาเวทนาคานสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมโนสัมผัสชาเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือรูปสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นสัทสัญญาคันทะสัญญารสะสัญญาโพธภะสัญญาทิฏฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นธรรมสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปสัญญเจตนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นสัทธสัญญเจตนาคันทสัญญเจตนารสสัญญเจตนาโพธะสัญญเจตนาทิฏฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นรรมาสัญญเจตนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปปัตหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นสัทธตันหาคันธตันหารสตันหาโพธะตัญหาทิฏฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นธรรมตันหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปวิตกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นสัทธวิตกพันธวิตกรสวิตกโพธพาวิตกทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นธรรมวิตกว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิ thers, คือความยึดมั่นถือมั่นรูปรวิจาร์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิ thers, คือความยึดมั่นถือมั่นสัทธวิจาร์คัน unless, non, ทธวิจารรัสวิจารโพธพวิจารทิฏฐิคือความยึดมั่นถืถ <unhealthy> ถอมั่นธรรมวิจารว่านั่นของเราそうそう <en> เราเป็นนั่น <leur> นั่นเป็นอัตราของเราทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นปฐวีธาตว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นอาโปธาตเตโชธาตวาโยธาตอากาศธาติทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณธาตว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราทิฏฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นปฐวีกรสินว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นอาโปกสินเตโชกสินวายโอกสินนีลกสินปีตากสินโลหิตตักสินโอทาตะกสินทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นอากราสกสินว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นผมว่านั่งของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังเืิด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเฉลตหนองเลือด เหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดทิฐิเพื่อความยึดมั่นถือม like ั่นมันสมองว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจากขายตนะว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปายตนะ โสตายตนะสัทธายตนะคานายตนะคันทายตนะชิวหายตนะรสายตนะกายายาตนะโผฏฐายตนะมนายตนะทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรำมายตนะว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักหูธาตว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปธาตุจากโควิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาตุโสตวิญญาณธาตุคานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรัศธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพาธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุ ธรรมธาตุทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมโนวิญญาณธาตุว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นจักขุนศีว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นโสตินรีคานินรีชิวหิงศีกายินรีมนินรี ชีวิตินรีอิถินสีปุริสินสีสุขินสีทุกขินสีโซมนาสินรีโทมนาสินรีอุเปกขินสีสัตถินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นปัญญินรีว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราทิฏฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นกามธาตุว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นรูปธาตุอรูปธาตุกรมภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพปฐมฌานทุติยฌาน ตติ迦ฌานจะตุทฌานเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติภูเบขาเจโตวิมุตติอากาสานัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากินยยัญญาตนะสมาบัติทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเนวสัญญานาสัญญาตาณะสมาบัติว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นอวิชชาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นชราและมรณะว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นมีดังว่ามานี้ฐานแห่งทิฏฐิแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่งขันธ์ทั้งหลายเป็นฐานแห่งทิฏฐิสองอวิชชาเป็นฐานแห่งทิฏฐิสาผัสสะเป็นฐานแห่งทิฏฐิสสัญญาเป็นฐานแห่งทิฏฐิหวิตก เป็นฐานแห่งทิฏฐิหกอโยนิโสมนสชการเป็นฐานแห่งทิฏฐิเจ็ดบาปมิตรเป็นฐานแห่งทิฏฐิแปดปรโตโคโสะเป็นฐานแห่งทิฏฐิขันธ์ทั้งหลายที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยชื่อว่าเป็นฐานแห่งทิฏฐิเพราะมีความหมายว่าเป็นที่อาศัยตั้งขึ้นแม้ขันธ์ทั้งหลายก็เป็นฐานแห่งทิฏฐิอย่างนี้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 ก็เป็นฐานแห่งทิฏฐิอย่างนี้เหล่านี้เือฐานแห่งทิฏฐิแประการปริยุทธ์ฐานแห่งทิฏฐิสิบแประการอะไรบ้างทิฏฐิคือหนึ่งการตกอยู่ในทิฏฐิสองความรคชัดคือทิฏฐิสความกันดานคือทิฏฐิสเสียนน้ำคือทิฏฐิหความดิ้นรนคือทิฏฐิ6สังโยธคือทิฏฐิ เจ็ดลูกศรนคือทิฐิ 3. 8. สมภพคือทิฐิ 3. 9ก้าเครื่องกงวลวงคือทิฐิสิบเครื่องผูกคือทิฐิสิบเอ็ดเหวเืคือทิฐิสิบสองอนุไซคือทิฐิสิสามเหตุให้เดือดร้อนคือทิฐิสิบสเหตุให้เร่าร้อนคือทิฐิสิบห้าเครื่องร้อยรัดคือทิฐิสิบห ความยึดถือเคทิฏฐิสิบเจ็ 17. ความยึดมั่นเคยทิฏฐิสิบปความถือมั่นเคยทิฏฐิเหล่านี้เคอปริยุท ธ, ธานแห่งทิฏฐิส8บปประการทิฏฐิสิหประการอะไรบ้างคือหนึ่งอาส า, าทิฏฐิความเห็นที่เนื่องด้วยคุณสองอัตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาสามมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด สสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาของตนห้าสัจสตทิฏฐิความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงอันมีสักกายะเป็นวัตถุ 6. กุเชต ท, ทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนอันมีสักกายะเป็นวัตถุ 7. อันตัคาหิกะทิฏฐิความเห็นอันถือเอาที่สุด 8. ปุกพันตานุทิฏฐิ ความเห็นขันสวนอดีต9อปรันตานุทิฏฐิความเห็นขันสวนอนาคต10สัญโยชนิกาทิฏฐิความเห็นเป็นเครื่องผูกสัตว์11มานะวินิพันธาทิฏฐิความเห็นอันกลางกั้นด้วยมานะว่าเป็นเรา12มานะวินิพันธาทิฏฐิความเห็นอันกลางกั้นด้วยมานะว่าของเรา13 อัตวาทะปฏิสังยุตตทิฏฐิ th, ความเห็นอันสัมปยุตด้วยอัตวาทะสิบสี่โลกวาทะปฏิสังยุตตทิฏฐิ th, ความเห็นอันสัมปยุตด้วยโลกวาทะสิบห้าภว ท, ทิฏฐิ th, ความเห็นว่าอัตาอ th, าาอตาและโลกมีอยู่สิบหวิภวทิฏฐิความเห็นว่าอัตตาและโลกไม่มีอยู่ ความยึดมั่นทิฏฐิสามร้อยประการโดยประมาณคืออัศทะทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการานเท่าไรอัตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการานเท่าไรมิจฉาทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการานเท่าไรสัจ ก, กายทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการานเท่าไรศาสตาทิฏฐิอันมีสักกายาเป็นวัตถุมีความยึดมั่นด้วยอาการานเท่าไร ปูเฉททิฏฐิอันมีจักกายะเป็นวัตถุมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรอันตักพายิปะทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรปูพันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรอปรันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรสัญโยชนิกาทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไร มานวินิพันธาทิิว่าเป็นเรามีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรมานวินิพันธาทิิว่าของเรามีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรอัตวาทะปฏิสังยุตตทิิมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรโลกวาทะปฏิสังยุตตทิิมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรภวะทิิมีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรวิภวทิิ มีความยึดมั่นด้วยอาการเท่าไรคืออสาทัทิฏิมีความยึดมั่นด้วยอาการ35อย่างอัตานุทิฏิมีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่างมิชาทิฏิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบอย่างศักกายทิฏิมีความยึดมั่นด้วยอาการยี่สิบอย่างศาสนาทิฏิอันมีศักกายะเป็นวัตถุ มีความยึดมั่นด้วยอาการสิบห้าอย่างกุเฉททิฏฐิอันมีสักกายะเป็นวัตถุมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าอย่างอันตักขาหิกะทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการห้าสิบอย่างปุพันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการ18อย่างอัปรันตานุทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการ4ีบสอย่างฉัญโยชนิกาทิฏฐิ มีความยึดมั่นด้วยอาการ18อย่างมานาวินิพ anyway. ันธาทิฏิว่าเป็นเรามีความยึดมั่นด้วยอาการ18อย่างมานาวินิพันธาทิฏิว่าของเรามีความยึดมั่นด้วยอาการ18อย่างอัตวาทปฏิสังยุตตทิฏิมีความยึดมั่นด้วยอาการ20อย่างโลกวาทปฏิสังยุตตาทิฏิ มีความยึดมั่นด้วยอาการแปดอย่างภวะทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบเก้าอย่างวิภวะทิฏฐิมีความยึดมั่นด้วยอาการสิบเก้าอย่าง